หกสิบห้าโลกุตระธรรมก็มีได้เกิดได้ด้วยการกระทาคนทำกรรมทุกขณะพุทธนี้แก้ที่กรรมสุกตะทุกตานางกรรมมานางผาลาังวิปากโกเท่ากับการกระทาจะดีหรือชั่วจะลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลส สุกตะทุกตานางล้วนเกิดจากกรรมการกระทำแล้วสังสมลงเป็นผลวิบากก็การกระทำของตนนี้แหละคือกรรมของตนเองทำเองแก้กรรมของตนได้ไม่มีอื่นแม้จะแก้จากโลกียะให้ตนมีโลกุตระซึ่งมันเป็นคนละโลกเลยก็ตาม ยุคนี้ก็ตามยังทำให้เกิดโรคกุศละให้แก่ตนเองได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากอารหรันก็หมายความว่าหากยังมีสัมมาทิฏฐิอยู่ตราบใดการกระทำให้เกิดโรคกุตละยังทำได้ทุกยุค โดยการแก้ที่การกระทำของตนด้วยตนเองได้เองเป็นเองแก้กันที่ทุกกรรมทุกกิริยาที่เราทำเราสังวรและปรับปรุงแต่งเติมอภิสังขารทุกกรรมกิริยาในทุกปัจจุบันที่เราอาศัยไปนี่เองคนสั่งสมด้วยอาศัยกรารกระทำก็เป็นนิสัย หากตกผลึกลงถึงขั้นเป็นวิสัยของตนแล้วจะแก้ไขา ย, ยากขึ้นยากขึ้นจริงๆยิ่งถึงขั้นอนุสัยก็ยิ่งจะต้องใช้เวลาแก้ไขกันเป็น10บกับร้อกับพันกับหมื่นกับแสนกับทีเดียวการกระทำจึงแก้ได้ทั้งนิสัยวิสัยอนุสัย และรู้แจ้งเห็นจริงและเป็นโรคุตระจริง